ขอบพระคุณและสันติสุขของพระเจ้าดำรงของท่านทั้งหลายนะครับขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีโอกาสได้นําถ้อยคําของพระเจ้ามาถึงท่านทั้งหลายนะครับในเดือนนี้เราก็ายังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะครับในหัวข้อเกี่ยวกับการสามัคคีธรรมและการอธิษฐานผมเชื่อว่าในหัวข้อที่ผมใช้นะครับเพื่อจะให้เราเข้าใจว่าเมื่อเรามีส่วนร่วมกันนะครับในพระวิหารของพระเจ้าหรือว่าเราสามัคคีธรรมกัน เราได้รับหรือได้สิ่งใดที่มาจากพระเจ้านะครับในความสามัคคีธรรมที่มีอยู่นะครับเราจึงไม่ได้ถูกแบ่งแยกว่าเราเป็นอย่างไรต่างๆเหมือนกับถ้อยคําที่เราเห็นนะครับบนกระดานอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเราจึงสามัคคีธรรมกันได้นะครับผมเห็นรูปแล้วผมชอบรูปนี้เหมือนกันนะครับที่ถ้าเราบรรยกาสได้ดูนะครับมันอาจจะดูจางๆไปสักนิดหนึ่งนะครับในนั้นจะมีรูปคน ค่อนข้างจะเยอะนะครับในชุดของพระเยซูเจ้าเราก็จะเห็นว่านี่คือความเป็นหนึ่งเดียวกันที่อยู่ในพระองค์เจ้านะครับแล้วก็ในหนังสือนะครับเมื่อเรามองจากพระคัมภีร์นะครับในโรม12ข้อที่หก็บอกว่าเราเป็นอยู่ในพระเยซูเจ้านะครับนั่นหมายความว่าในชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับ we are one in Christ นะครับ มันเป็นความสามัคคีที่เกิดขึ้นซึ่งผมอยากจะนำท่านทั้งหลายได้คิดถึงตัวอักษร C H R I S T ว่าในพระเจ้าใน c r รสต t หรือว่าในตัวขององมินเจ้าเราเรียนรู้จากอะไรบ้างจากตัวภาษาอังกฤษ6ตัวที่นั่นด้วยกันแล้วจะมองถึงว่าเราจะหนุนใจซึ่งกันและกันได้อย่างไรเดีครับในอักษรตัว6ตัวนี้ที่ผมอยากให้ท่านทั้งหลายได้คิดด้วยกัน นะครับถ้าเกิดท่านดูบนกระดานเดี๋ยวจะมีโอกาสได้คิดถึงเรื่องของ C คือ College, H คือ Honesty, R คือ Reinforcement, I คือ Initiative และ S คือ Stability แล้วก็ T คือ Trustworthy นะครับผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เราทั้งหลายได้คิดด้วยกันว่าในพิเเราจะสนับสนุนกันอย่างไรเราจะเริ่มต้นอย่างไรต่างๆทั้งหลาย เมื่อพูดถึงตัว C นะครับเมื่อพูดถึงสิ่งที่มีอยู่ตรงนั้นผมได้สนใจคำว่า courage คือคำว่ากล้าหาญคำว่ากล้าหาญนะครับเราดูจากพระคัมภีร์ตอนไหนนะครับผมเชื่อว่าตัวที่เราจะสามารถบองได้ก็คือโยชัวบทที่หนึ่งในข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่เกนั่นคือ courage ตัวแรกนะครับ เราคุ้นเคยกับข้อความเหล่านี้ดีนะครับเมื่อโมเสสผมคงไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ทั้งหมดแต่ให้ท่านดูบนกระดานว่าเป็นอย่างไรต่างๆทั้ ง, ง, งหลายมองถึงว่าในเวลาที่โมเสสสิ้นชีวิตแล้วนะครับแล้วก็พระเจ้ากําลังบอกให้โยชัวบอกว่าเขาจะตรับช่วงต่อโยชูวมีความรู้สึกกลัวนะครับเพราะเนื่องจากในความเข้าใจผมเชื่อว่าในพระเจ้าเราเองได้เรียนรู้บางอย่างที่เกิดขึ้นในความกล้ า, าหาญนะครับพระคัมภีร์ได้บอกว่า จงเข้มแข็งและกล้าหาญถิดต่างๆทั้งหลายนะครับผมคิดว่าเราคงจะมีพระคัมภีร์และคงดูที่นั่นนะครับบ่อยครั้งมีคนพูดอย่างนี้ว่าความกล้าหาญของคนเราเนี่ยมันหายไปไหนเพราะเนื่องจากในความคิดของเราเราเจออุปสรรคเรากลัวอะไรเสิครับมีคนพูดว่าอุปสรรคนะครับปัญหาอันยิ่งใหญ่ ย, ย่อมหน้าหวานไกวหรือหน้าหวานกลัวมาก แต่ความกลัวในใจของคนเราน่ากลัวกว่านั้นอีกนั่นหมายความว่าชีวิตของเราที่เรามีความรู้สึกหรือเราได้รับบางอย่างที่เกิดขึ้นในพระเยเจ้าเราได้รับความกล้าหาญแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่กลัวอะไรเลยแต่นี่คือจุดที่สำคัญถ้าเรากลัวสิ่งที่น่าสนใจที่เราคิดถึงด้วยกันความกล้าหาญทำให้ตัวเรายิ่งใหญ่กว่าอุปสรรคจาให้ดีครับ บาทีเราเห็นปัญหามันใหญ่มากที่เกิดขึ้นแต่เมื่อเรากลัวแล้วตัวเราจะเล็กลงผมเชื่อว่าในเวลาที่เกิดขึ้นนะครับดาวิดไม่ได้ใหญ่กว่าโกลิอาตัวของดาวิดไม่ได้ใหญ่กว่าโกลิอาตแต่ใจของดาวิดใหญ่กว่าใจของโกลิอาตนั่นหมายความว่าเขามีความกล้าที่จ ะ, ะเผชิญต่างๆทั้งหลายนะครับวันนี้ผมอาจจะใช้สไลด์ภาษาอังกฤษมากนิดหน่อยนะครับเพื่อจะให้เราเข้าใจถึง courage is not the absence of fear ความกล้าหาญไม่ได้ทำให้เราละทิ้งความกลัวไม่ใช่แต่ความกล้าหาญทำให้เราสามารถที่จะไปอยู่เบื้องหลังความกลัวเหล่านั้นได้จุดนี้คือจุดสำคัญครับโยชูวามีความกลัวโยชูวาไม่กล้าที่จะทำอะไรแต่เมื่อคุณอยู่ในพระเเจ้าพระองค์ให้ความกล้ากับคุณตลอดเวลานะครับในในจุดนี้คือความสำคัญพระโต้ได้กล่าวไว้ว่าความกล้าหาญทำให้เรารู้ว่าอะไร ที่เราไม่ควรกลัวนะครับมันเป็นจุดสําคัญของชีวิตในวิธีชีวิตของคนเราแค่เซลเราถูกสอนอยู่3าอย่างเดียกัน hope is wishing something would happen ความหวังคือความคาดหวังว่าบางอย่างจะเกิดขึ้น faith is believing something will happen ความเชื่อ ทำให้คุณความศรัทธาทำให้คุณเชื่อว่าคุณจะทำบางอย่างมันเกิดขึ้น Courage is making something happen ความกล้าหาญทำให้บางอย่างเกิดขึ้นมันเป็นหัวใจที่น่าสนใจในวิถีชีวิตของเราว่าทำไมบทแรกที่พระเจ้าสอนโยชัวตั้งแต่เริ่มต้น ว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดในวิถีชีวิตเราเร า, เราผมเชื่อว่าเรามีความกลัวหลากหลายเพราะเนื่องจากมีคนพูดว่าความทุกข์มันเพียงเพียงความภาพลวงตาถ้าชีวิตเราไม่ได้หวาดหวั่นเลยนะครับแน่นอนครับสิ่งเหล่านั้นมันหายไปมีคนพูดอย่างนี้ว่าในชีวิตของเราเดียถ้าเราเจออะไรบางอย่างในวิถีชีวิตผมไม่น่าจเคยเล่าที่นี่ว่าในชีวิตผมกลัวที่สุดคือกลัวผีทุกคนบอกศาสตราจารย์นี่กลัวผีดะนะครับ เพราะว่าผมโดนหลอกตั้งแต่ตอนอายุสิบขวภาพมันติดตาจริงๆเพราะว่าในสมัยที่เป็นเด็กตอนนี้ก็ยังเด็กน้อยอยู่นะครับเด็กเหลือน้อยนะครับภาพยนตร์ที่น่ากลัวที่สุดในเวลานั้นคือเรื่องแดคกซิลล่าไม่มีเรื่องอื่นเลยสมัยนั้นนะครับคนที่ดูแดคกิลล่าสมัยเดิมเนี่ยจะรู้ว่ามันน่าตื่นเต้นอย่างไรผมก็ไปดูภาพยนตร์ทุกครั้งก็ดูฟรีอะเนาะเพราะว่าเนื่องจาก อยู่ในตลาดแล้วก็มีเด็กที่เขาเก็บตัวนะครับขายตัวต่างทั้งหลายเก็บตัวเนี่ยเป็นเพื่อนกันหมดเลยก็เข้าไปนั่งดูขณะที่ดูผีกํลาลังจะออกมาเนี่ยนะครับคนที่ดูผีก็จะหลบใช่ไหมครับมักจะหลบตาเสมอเพื่อนผมเนี่ยแสบมากเลยมันเอาเอ า, เอาแป้งทาหน้าขาวแว๊กเลยแล้วเอามุ้งคุมหัวโอ้โหตอนเด็กกุ่ากําลังโดนตัดคอเลือดมันอไหลลงจำภาพติดตาเลยแล้วเขาสะกิดหลังผมโอ้โหครับร้องลั่นเลยครับ ลั่นลงหนังจริงๆแล้วภาพนั้นมันติดตาผมทุกวันที่ผมยังหลับตาแล้วผมยังเห็นภาพนั้นอยู่เลยจริงๆนะฮะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมถามตัวเองว่าเอเวลารับใช้พระเจ้าต้องอยู่กระสอบเยอะเลยจะทำอย่างไรเอาความกล้าหาญทำอย่างไรดีครับลองดูไหมครับลองดู้วยถ้าเกิดใครกลัวผีนะเอาไฟฉายทักอันนะครับไปสุสานคนจีนไปกลางคืนนะครับไฉายอันเดียว โอ้โหสนุกจริงๆครับเสียงลมมันวิมันเหมือนในภาพยนตร์เหมือนกันเลยเสียงมันมาแบบลมเย็นๆทำให้ผมรู้สึกกล้าที่จะรับใช้พระเจ้าเพราะว่าต้องอยู่ในขบวนการเหล่านั้นจุดนี้คือจุดสำคัญเขาจึงพูดว่าเมื่อคุณกลัวเมื่อไหร่ขนตัวเองให้เจอแล้วคุณจะกล้าก้าวไปเร็วกว่าที่คุณเคยเป็นเพราะความกลัวทาให้เราหลุด บางอย่างในพระเยซูเจ้าคริสต์หรือ C ตัวแรกมันเป็นคอลเลจที่คุณจะกล้าขึ้นมาพระองค์ไม่ได้ให้ความกลัวกับเราแต่พระองค์ทรงสอนเราว่าเราควรจะดำรงชีวิตอย่างไรตัวที่สองคือตัว H เมื่อเราพูดถึงนะครับว่าในพระเยเจ้าพระองค์สอนให้เรามีความสัตย์ซื่อ ความสัตย์ซื่อเป็นความบริสุทธิ์ใจเป็นการเคารพตนเองเคารพซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบใครเอาใจเขามาใส่ใจเราร่วมกลังสอนการที่คุณจะอยู่ในสังคมแบบเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นคือความสำคัญเพราะความสัตย์ซื่อในชุกวันนี้มันหายไปลดลงไปเรื่อยๆจริงไหมครับ เดี๋ยวนี้เราพบถึงความจริงที่เป็นอยู่นะฮะนี่คือสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นพระคัพภีสองโคลินบทที่8ข้อยี่สว่าอย่างไรครับพระคัพปีกําลังสอนเราว่าเพราะเรามุ่งที่จะให้เป็นคนสัตซ์ซื่อไม่ใช่เฉพาะในสายพระเนศขององรเจ้าเท่านั้นแต่ในสายตาของคนทั้งปวงด้วยอันนี้น่าสนใจนะเพราะวิถีชีวิตนั้นคือความสําคัญว่าชีวิตของคริสเตียนเนี่ยเราจะสามารถขี่ทำเราจะเป็นเราจะอยู่ในสังคมใหญ่ๆได้อย่างไรถ้า คือเสียนยังปราศจากความสัตย์ซื่อจริงๆโลกนี้กําลังเป็นอย่างนั้นพระเจ้าได้สอนกับเราในราพระปีอยู่ตลอดเวลาว่าความสัตกธรรมในพระเจ้าเป็นสิ่งสําคัญโทมัสเจฟฟอร์สันเป็นอดีตบรรณาธิการสารัฐได้กล่าวไว้น่าสนใจอั t นี้คืออ่านหนังสือของความซื่อสัตย์เป็นบทแรกของหนังสือที่สร้างปัญญา ถ้าเกิดความซื่อสัตย์ไม่มีแล้วมีแต่ปัญหาแต่มีความซื่อสัตย์ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับพระคัมภีร์จึงสอนกับเราว่าในลูกาบที่16ข้อที่10คนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยจะอัศัตในของมากด้วยและคนที่อาศัตในของเล็กน้อยจะอัศัตในของมากเช่นกันนี่นคือความสาคัญที่พระคัมภีร์สอนเรา ด้วยความสัต์ซื่อในพระเจ้าวันนี้เราสัต์ซื่อกับพระเจ้าขนาดไหนผมไม่ทราบเราทุกคนมีคําตอบระหว่างเรากับพระเจ้าเองบางคนตั้งคําถามว่าเราควรจะทําอย่างโน้นไหมอย่างนี้ไหมต่างๆทั้งหลายผมก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าแล้วแต่ใจของเราแต่และคนแต่สิ่งที่เราพบถึงความจริงนะครับว่าในพระเจ้าพระองค์สัต์ซื่อและสัตรมตลอดเวลา ถ้าคุณอ่านถ้อยคําของพระเจ้านะครับมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าพระคระพีกําลังสอนว่าของเล็กน้อยเป็นตัวบ่งบอกว่าในอนาคตคุณจะเป็นอย่างไรบางทีเรามีความรู้สึกนะครับเดี๋ยวนี้คนไทยนะครับรู้เรียนรู้ว่าไม่เป็นไรน่ะขี้โกงนิดเดียวก็ไม่เป็นไรน่ะสังคมกําลังอันตรายจริงไหมครับ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเป็นปัญหาใหญ่นะครับจอแซนดี้ได้กล่าวไว้น่าสนใจ Honesty is the best policy ความสัตว์ซื่อหรือซื่อสัต์เป็นนโยบายที่ดีที่สุดนโยบายอะไรก็ตามที่มีอยู่นั่นคือจุดสำคัญเพราะมันเป็นหัวใจหลัก ของการดำรงชุดในสังคมผมเป็นนักเทศที่อขอจะใช้คําว่าเป็นพ่อค้าก็ได้เนาะเพราะเนื่องจากเรามีคิรจักรลูกคิรจักรลูกเนี่ยผลิตของนะครับหลายอย่างแล้วเวลาผมไปเทศนาที่ไหนผมก็มักจะเอาของสมาชิกที่อยู่ในโบสถ์ต่างๆไปขายให้อีกที่นึงเพราะว่าจะได้มีเงินเข้าไปและซัพพอร์ตในคิรจกักรนะครับผมพูดคํานึงเสมอกับสมาชิกที่เขาผลิตของ ผมบอกว่าคุณต้องผลิตด้วยความสัดซื่อนะเพราะเวลาผมไปแนะนําเนี่ยผมจะอึดอัดมากเพราะผมเป็นคนกลางแต่ผมไม่ได้กําไรอะไรเลยแต่ผมบอกว่าถ้าคุณไม่สัดซื่อแล้วเครเดิตที่เสียคือผมเสียด้วยแต่คุณมีความสัดซื่อเนี่ยผมยินดีช่วยกับคุณตลอดเวลานะครับแต่ผมมีคิดาจากลูกในคิดาจากของเตยเรามีคิดาจากลูกอยู่9้าแห่งแห่งหนึ่งกํลาลังผลิตข้าวอีกแห่งหนึ่งก็ผลิตข้าวที่เป็นออร์แกนิกต่างๆทั้งหลาย ก็มาขายที่กรุงเทพต่างๆตอนนี้บางที่เขาจะทำอย่างอื่นแต่ผมเชื่อว่านี่คือจุดสำคัญที่คิดจักจะเลี้ยงตัวเองคิดจักที่ผมดูแลจะเลี้ยงตัวเองได้ประมาณเจปีไปสร้างเขาที่เขาจะค้าขายเพราะชีวิตของเราจำให้ดีครับ In every day we must fight for honesty จริงๆเพราะเราต้องต่อสู้กับความซื่อสัตย์ในทุกวันของชีวิตเลย ดีใจนะครับที่ผมเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ในทุกวันนี้ไม่ว่าแท็กซี่จะเก็บของได้ไม่ว่าอะไรต่างๆทั้งหลายนะฮะนี่คือจุดที่มันกำลังนะครับในสังคมเราต้องการคนอย่างนั้นจริงๆ Leader Digest หนังสือสันสาระเขาเคยมาทำวิจัยหมายวิลลยเกือบชั่วโลกหลายปีมาแล้วนะเขาเอา กระเป๋าสตังค์ไปวางไว้ที่มหาวิทยาลัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเกาหลีในญี่ปุ่นในประเทศไทยไปที่มหาวิทยาลัยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับกระเป๋าตังค์ที่กลับคืนส่งกลับคืนไปสถานที่ในในกระเป๋าตังค์ก็มีที่อยู่มีอะไรเสร็จเลยนะครับที่เยอะที่สุดในสมัยนั้นประเทศเกาหลีส่งคืนมากที่สุดมหาวิทยาลัยใหญ่ในประเทศไทยส่งคืนแต่กระเป๋า ตังหายหมดนี่คือสิ่งที่เขาทำจริงๆนะผมอ่านเรื่อยๆในเชจสหลายปีมาก่อนที่เขาทำเขามีชื่อด้วยนะฮะแต่ไม่กล้าเอ่ยชื่อเพราะบางคนเป็นสิทธิ์อยู่ที่นั่น <c oughs> เรื่อยๆกลัวโดนเหยียบนะครับเบเนชมินแฟรงกินได้กล่าวไว้ว่าจงระวังสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นรอยลั่เล็กๆอาจทำให้เรือใหญ่ล่มจมได้ ความสัตย์ซื่อเล็กๆนี่นะครับมันเป็นจุดย่อยของชีวิตที่มันจะขยายตัวมันเองทุกวันนี้เราบอกเราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเราสัตย์ซื่อในการอ่านพระคัมภีร์เราสัตย์ซื่อในการทิ่ฐานมากน้อยขนาดไหนผมไม่ทราบบางทีนั่นคือวิถีชีวิตของเราพระเจ้าตอบเราด้วยความสัตย์ธรรมตลอดแต่ถ้าเราไม่ที่ฐานกับพระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อ เราก็ระวังครับเราก็อาจจะไม่ได้เหลืออะไรในชีวิตเลยนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเราพูดถึงโอเคโอเคผมเมื่อกี้ผมไม่ได้ถึงแฟนกรินขออภัยครับนะฮะนี่คือสิ่งที่แฟนกรินได้กล่าวไว้นะครับนั่นเองนะครับนี่เป็นจุดสำคัญที่ผมอยากจะบอกว่าชีวิตของเราต้องระวังจุดเล็กในชีวิต สิ่งที่น่ากลัวที่สุดความบาปเล็กๆที่ซ่อนอยู่มันจะกัดกร่อนชีวิตของเราตลอดเวลาเราขอบคุณพระเจ้านะพระองค์ทำไมครับให้เราที่ฐานสารภาพบาปได้ทุกเวลาอธิษฐานกับพระเจ้าไม่ต้องรอตอนกลางคืนนะครับสารภาพบาปพระเจ้าได้ทุกเวลาอย่าให้รูร่วนั้นสร้างปัญหาในชีวิต ความสัตย์ซื่อเป็นแก่นแท้ของความสําเร็จทั้งหมดนะครับถ้าเกิดใครอยากจะได้ความสําเร็จที่เกิดขึ้นในพระองค์เจ้าพระสิทจีนสอนไว้ว่าระวังครับคนที่เสื่อความสัตย์ซื่อแล้วจะเสียทุกอย่างของชีวิตเลยอย่าขายความสัตย์ซื่อด้วยสิ่งของราคาถูกนะครับดังนั้นคนที่อยู่ในพระเจ้าหนทางเดียวจะรักษาภาพพจน์ ในชวิตของเขาได้คือสัตว์ซื่อตลอดเวลาเราขอบคุณพระเจ้านะครับเราได้ตัวสีพระองค์ให้เรามีความกราดที่เราจ ะ, ะเผชิญสิ่งต่างๆในเวลาที่เรารเผชิญหน้ากับคนในสังคมพระองค์สอนให้เราเป็นคนที่สัตว์ซื่อที่เขาจะมองเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราทั้งหลายตัวนี้ก็สําคัญครับตัว R คือ reinforcement เรียน forcement อร์หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคุณกำลังหนุนจริงๆเรียนฟอร์เนี่ยเป็นการใช้ในเรื่องของทางการทหารมากกว่าการที่เราจะเรียนฟอร์สหรือสนุนและเสริมพลังให้กับใครสักอย่างหนึ่งหรือการยกทัพเข้าไปช่วยสู้ในที่ต่างๆเรื่องนี้ผมคิดถึงเรื่องของคนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจในเรื่องของเ Force อร์นะครับ ถ้าเรามีโอกาสก็ขอเราผมไม่ได้เอาพระคัมภีร์ทั้งหมดมานะครับแต่ให้เราได้เห็นตัวนึ้งนะครับ อ, อพยพบทที่17เข้อ8ถึง16ผมเชื่อว่าเราคงมีโอกาสได้อ่านพระคัมภีร์ผมคงไม่ได้อ่านทั้งหมดแต่เราคงจำได้นะครับเรื่องของใครครับเรื่องของโมเสสจำได้ไหมครับไปเจอคนอัมมาเลกนะครับแล้วก็โมเสสบอกโยชูวาว่าทำไมครับให้ไปเตรียมกองทัพแล้วโมเสสไปไหนครับขึ้นไปบนภูเขาใช่ไหมครับ แล้วโมเสสทาอะไรครับเวลายกมือขึ้นทําไมครับโยชูวก็ลบชนะคนอัมเมเลโอ้ยยืนนานนะทั้งๆ ท, งที่อารอนก็เคยเอาอะไรมาฮะเขายือนอยู่ตอนแรกยืนไม่ไหวต้องเอาก้อนหินมานั่งลงแต่มื อ, อยังต้องยกขึ้นนะแต่ยกขึ้นแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นบมเมื่อยอะ่ะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นมือเขาลงมาใช่ไหมครับ โยชูชวาเขาจะแพ้อาโรนกับเฮอต้องหนุนโมเสสนั่นหมายความว่าอะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวิธีชุดคุณจะเรียนโฟร์สใครด้วยอะไรหรือการที่คุณจะหนุนใครสักอย่างหนึ่งจะไม่ดีนะครับนี่คือจุดที่สำคัญของชุดขี้เสเร า, ามีสา ม, มัคคีทํากันพระองค์ไม่ต้องการให้ใครอยู่แบบตัวใครตัวมันแต่พระองค์บอกให้เราอยู่แบบสามัคคี ที่เราจะหนุนใครด้วยวิธีการที่แตกต่างกันด้วยคำพูดด้วยคำอธิษฐานเผื่อด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่อย่าลืมทำเท่านั้นนี่นี่คือความสำคัญที่เกิดขึ้นครับนั่นหมายความว่าวันนี้มันจะไม่กลับมาอีกครั้งหนึ่งเราผ่านไปครึ่งวันแล้วชีวิตของเราที่ดำรงอยู่ทุกเวลาเนี่ยเราจะเป็นพระพรกับคนอื่นได้อย่างไร เราจะเป็นเพื่อนที่ดีกับคนอื่นได้อย่างไรเราจะหนุนใครใจใครสักคนหนึ่งได้อย่างไรเราจะใช้เวลาในการดูแลใครสักคนหนึ่งได้อย่างไรหรือใช้ด้วยคาในการรักษาคนชีวิตของเราทุกวันนี้มันเป็นความสำคัญการพูดสิ่งที่ดีมันเป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะว่าเนื่องจากจุดนี้นะครับในการสนับสนุนในวิถีชีวิตพระิเจ้าได้สอนกับเรามากมายเรียนฟอร์มีคนพูดอย่างนี้ว่าอย่าละทิ้ง เมื่อคุณพบความยากลำบากแต่ต้องทำให้มันเต็มที่มากกว่านั้นในที่สิ่งที่คุณอยากจะทิ้งงานนั้นคนหลายคนอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วไม่เกิดผลอย่าเพิ่งท้อใจครับมีหลายเรื่องที่อธิษฐานกับพระเจ้าบางทีเราต้องรอเวลาผมเคยเป็นพยานที่นี่ทีหนึ่งนานมาแล้ว อธิษฐานเผื่อครอบครัวของภรยา น, น้องสาวเขายี่สิบสองปีครับเขาเพิ่งกลับใจมาเชื่อพระเจ้าน้องของน้องสาวของภรยายี่สปีแต่เราไม่เคยหยุดอธิษฐานแม้ว่าเขาเชื่อในพระเจ้าปริริพพิเสธแล้วก็ต้องอธิษฐานเผื่อเขาเพื่อเขาจะไม่หลุดจากทางของพระเจ้านั่นคือจุดสำคัญครับ เพราะทำไมครับหลายครั้งชีวิตของเราเจอปัญหาแล้วเรากีฟับอย่าทิ้งครับอย่ายอมแพ้วันนี้คุณคูเข่าที่ฐานกับพระเจ้าคุณอาจจะยังไม่ได้คำตอบอะไรที่ดีจากพระเจ้าแต่อย่าเพิ่งยอมแพ้บางทีไปอีกนิดเดียวคุณเจอคำตอบ แต่นิดเดียวของพระเจ้าจะแตกต่างกันนะแต่ไม่ต้องกลัวครับทุกอย่างในพระเจ้ามีคําตอบเสมอครับวันนี้คุณอาจจะเศร้าใจหรืออะไรก็ตามในวันที่คุณรู้สึกเศร้าใจมากๆอย่าคิ ด, ด ว, ว่าไม่มีใครในวันที่คุณมีเรื่องเลวร้ายที่สุดพระเจ้าอยู่ตรงนี้เสมอไม่ห่างไกล พร้อมเป็นกำลังใจให้คุณชุกเวลาเพราะพระองครี o น c e ชีวิตของคุณตลอดเราเองเราจะหนุนใจคนอื่นได้อย่างไรนี่นคือความสำคัญดังนั้นมีคนกล่าวว่าเราอาจจะก้าวไปสู่ความสาเร็จใดๆดไ ด, ไ ด, ได้ไม่อาจจะไปถึงความสาเร็จนั้นหากปราศจากกำลังใจและการเกื้อหนุนที่มาจากพระเจ้า นักเรียนทั้งหลายที่เรียนอยู่หรือใครก็ตามนะครับที่ยังอยู่ในกระบวนการอยากให้คิดถึงตรงนี้ผมช่วพระเจ้าคอยสนับสนุนเราเสมอเราเองที่เป็นมนุษย์ต้องคอยสนับสนุนกันด้วยคำอธิษฐานเผื่อเมื่อเช้าคนที่ฟังผมก็จะได้ว่าเราต้องอธิษฐานเผื่อใครสักคนหนึ่งผมจําให้เสมอนะครับคนที่ฟังแล้วขอวนันละหนึ่งนาทีเพื่อที่คุณคนที่คุณอธิษฐานเผื่อจริงๆครับ ผมได้ผลตรงนั้นก็อย่างที่ผมบอกนะครับวันละหนึ่งนาทีสำหรับน้องสาวภรรยา22ปีนะครับที่พระเจ้าหยดลงไปทุกวันแล้วเขากลับใจวันนี้ยังไม่สายเกินไปที่เราจะคู่เก่าอธิษฐานกับพระเจ้าหนุนเสริมใครสักคนหนึ่งครับเราได้สามตัว C H R I mm hmm. คืออะไรครับ อินิชิเอตีการเริ่มการเริ่มต้นจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญเราต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะาอยู่ในพระองค์เจ้าเราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่สิ่งสารพัดเก่าๆ ก, ก็ล่วมไปนี่แกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนั่นหมายความว่าชีวิตของเราได้รับการเริ่มต้นใหม่จากพระเจ้าเมื่อคุณอยู่ในพระิเจ้า คุณจึงได้รับบางอย่างที่เกิดขึ้นแน่นอนครับการเลื่นเริ่มมันเกิดขึ้นเพราะาบางทีเราเจอความร่มเหลวที่เป็นมีปัญหาเกิดขึ้นมีคนพูดว่าถ้าชีวิตของเรานะครับเราทํางานใหญ่ต้องไม่หวั่นไหวกับสายลมที่พัดผ่านผมชอบคําของโฮจิมินห์มากเลยนะครับหลายๆปีที่ผมอ่านมาโฮจิมินห์เป็นคนเวียดนามที่มีปัญหาเกิดขึ้นท่านพูดไวค้คํานึงว่ามีพายุเนี่ยครับมันมีประโยชน์มันไม่ใช่มีโทษ พายุมันมีประโยชน์เพื่อจะรู้ว่าบ้านนั้นแข็งแรงหรือเปล่าเขาพูดไปน่าสนใจนะบางครั้งนะครับบางทีเราเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตบางทีเราโทษพระเจ้าก่อนแต่พระองค์กำลังสอนว่าจริงๆแล้วลพระองค์ผลักดันเราไปถึงความสาเร็จให้เราีเริ่มตรงนั้นเพราะอะไรครับมีคนพูดว่าความพยายามครั้งที่หนึ่งยก็ดีกว่าคิดท้อถอยก่อนที่คุณจะเริ่มทาบางทีเราคิดอะไรไว้ล่วงหน้า นั่นในพระเจ้าโปรงให้เราเป็นอินิ i a t i ทีฟโปรงให้เราคิดถึงสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรครับในวันนี้เมื่อคุณตื่นขึ้นมาคุณมีความหวังอะไรคุณได้ถึงหวังท่านหรือเปล่าทุกวันคุณตั้งใจออกนอกบ้านคุณคิดอะไร start a new day with hope and let it lead you to your new success ในพระเจ้ามีความหวังชุกเวลาพระองค์อยากให้เราเป็นคนที่เริ่มต้นได้ชุกโอกาสจะไม้ดีนะครับนี่คือจุดที่สำคัญสองอย่างในชีวิตที่มันมีข้อเสียอยู่มันไม่เคยรอใครเลยครับคือโอกาสและเวลาไม่เคยรอใคร นั่นคือจุดมุ่งหมายที่ผมพูดอย่างนี้ว่าในวิถีชีวิตของเราทั้งหลายเมื่อเราอยู่ในพระเจ้าเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเวลาวิกิน Again Initiative มันจึงเป็นเรื่องของว่าจุดที่เรามองเรายือนอยู่อย่างไรเราล้มได้ครับ เพราะมีหุหลายคนล้มมาอย่างนับไม่ถ้วนผมใช้คำว่าคุณมีสิทธิ์ลุกขึ้นใหม่เสมอเราทำบาปกับพระเจ้าพระเจ้าเมตตาเราในทุกเวลาครับไม่ต้องกลัวดังนั้นเองนะฮะเราซ่อนตัวเราอยู่ในพระเยซูเจ้าทำให้เราสามารถที่จ ะ, ะเผชิญกับสิ่งต่างๆได้ จุดเริ่มต้นมันยากจริงๆครับคนบางคนมีปัญหากับพระเจ้าแล้วทิ้งพระเจ้าเลยแต่ผมอยากช่วุนใจเรานะครับอย่ายอมแพ้ครับจุดเริ่มต้นมันยากที่สุดเสมอเลยปัญหานี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเวลาผมเขียนหนังสือตำราสองสามบรรทัดแรกในเขียนยากมากนะครับในการเกินนำํำผมไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับพี่บีเขาบอกว่าคนแต่งเพลงต้องโน้ตเจ็ดตัวแรก ถ้าโน้ตเจ็ตัวมาแล้วมันจะไปแต่งเพลงได้ง่ายขึ้นจริงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะไม่ใช่เป็นนักแต่งเพลงหรืออะไรต่างๆทั้งหลายแต่จุดนี้กําลังเขาลังตอบว่าไอ้จุดเริ่มต้นเนี่ยมันยากตลอดแต่มันเวลาไปถึงปุ๊บมันจะคล่องตัวมันเองที่เกิดขึ้นดังนั้นนะครับสิ่งที่เราเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าตลอดเวลาเนี่ยเราต้องรู้ว่าสิ่งแรกเนี่ยมันยากจริงๆครับคุณจะเริ่มต้นอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งการรับใช้พระเจ้า ผมขอผมชอบคำพูดของริชาร์ดเบรนสันนะครับเขาพูดไว้น่าสนใจเขาบอกว่าถ้ามีคนเสนอโอกาสให้คุณนะครับคุณยังไม่แน่ใจว่าคุณทำได้ไหมรับไว้ก่อนเลยครับแล้วค่อยเรียนรู้มันทีหลังก็จัดการมันทีหลังผมพยายามไม่เกลี่ยงงานเวลาที่มีคนขอให้ผมช่วยเพราะผมรู้ว่าถ้า เขาไม่ต้องการผมเขาไม่มาขอผมหรอกจริงๆนะครับโอกาสที่เป็นโอกาสสำคัญจริงๆอินนิเชียตีมันเริ่มต้นจากอะไรครับสิ่งที่เรามองสิ่งที่เราได้คิดอะไรต่างๆทั้งหลายดังนั้นในพระองค์เจ้าเนยะในพระเเจ้าพระองค์อยากให้เราเป็นคนที่เริ่มไม่ใช่เป็นคนที่ตามคนอื่นอย่างเดียวเพราะเราถูกปรวมสร้างอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นนะครับมีคนกล่าวว่าความสำเร็จเป็นความรับผิดชอบของเราใช่แต่ถ้าคุณไม่เริ่มต้นและไปถึงที่สุดท้าความสำเร็จนั้นก็ไม่เกิดขึ้นนี่คือความคิดของโรลีนั่นหมายความว่าจุดเริ่มต้นมันเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าเราทำไปเราจึงจะไปถึงความสำเร็จนั้นสำหรับคนที่เคยเป็นผู้นานะครับเขาบอกว่าผู้นาในแต่ละที่ without initiative leader are simply workers in leadership positions ในคิดถึจักผมมักจะพูดเสมอนะผู้ปกครองเอกยมณายกเอยความคิดที่จะทำให้คิดถึจักเข้มแข็งที่คุณจะก้าวขึ้นไปสำคัญมากไม่งั้นไม่ต้องมีตำแหน่งขอภัยนะครับไม่มีตํตำแหน่งผู้ปกครองก็ได้ มัคคณายกก็ได้ทุกคนเท่ากันหมดแต่การที่เรามีผู้ปกครองมีมัคคณายกในกิจระจักเพื่องานที่เรารเริ่มใหม่นะครับไม่งั้นงานกิจระจักจะเป็นรูทีนทั้งหมดเลยครับในพระเาพระองค์สอนเราในการสามัคคีทำที่เราจะคิดถึงสิ่งเหลนี้เสมอนะครับโอกาสที่มีให้เรารับใช้ ช่วยไว้นะครับอย่าบอกว่าไม่มีเวลาอย่าบอกว่าอย่างนั้นแต่พระเจ้ารู้ว่านั่นคือความสำคัญในชุดของเราทั้งหลายตัวต่อมานะครับตัวเอ stability จริงๆเป็นความมั่นคงหรือสเสถียรภาพก็ได้พระกะพีของเรามักจะแปลว่าสเสถียรภาพตลอดเวลานะครับจริงๆแล้ว stability จะสามารถแปลว่ามั่นคงก็ได้นะครับต่างๆทั้งหลาย แต่ในบัมพีจะใช้คำเสถียรภาพเป็นหลักใหญ่นั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าแม้จะมีบางอย่างที่เกิดขึ้นในรอบที่มันผันแปรไปตลอดแต่ทำไมครับสิ่งที่รู้จักประชาจะยั่งยืนตลอดเสถียรภาพมันจึงเป็นความสำคัญในวิถีชีวิตถ้าคุณจะไปถึงความสำเร็จของชีวิต หรือการที่คุณอยู่ในพระเจ้าโปร่งส่งให้คุณมีวิถีชีวิตมีคนพูดอย่างนี้ว่าถ้าถ้าคุณเป็นผู้ น, นำแน่วแน่กับการตัดสินใจแต่ยืดหยุ่นกับการลงมือทำหมายความว่าอะไรบางทีการเสรีภาพของเราในความเชื่อที่เรามีอยู่กับพระเจ้ามันแน่นอนครับแต่วิถีชีวิตของการดำรงอยู่กับพระเจ้าคุณสามารถจะเคลื่อนมันได้การยืดหยุ่นไม่ใช่เป็นานว่าไม่ใช่เป็นคนหลอหล แต่กำลังจะตอบว่าความมีเสด็จรภาพหมายความว่าคุณมีใจมองไปข้างหน้าตลอดแต่วิธีการไปถึงนั้นมันแตกต่างกันถ้าเราคิดถึงสิ่งเหล่านี้เราจึงจะเข้าใจถึงสิ่งที่ว่าทําไมใน พ, พระเจ้าพระองค์จึงให้เกิดความมั่นคงในชีวิตของเราทั้งหลายไม่งั้นเราจะขาดสิ่งเหล่านี้ครับบ่อยครั้งที่คนล้มเหลวความพ่ายแพ้ทําลายความมั่นใจลงไปบ้าง แต่ผมอยากให้คุณสร้างขึ้นใหม่ครับมันเป็นหัวใจหลักหัวใจตรงนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญเมื่อเรามองถึงว่าชีวิตของเราอย่างที่ผมบอกนะครับเราไม่สามารถที่จะไปถึงความสําเร็จได้ทั้งหมดแต่เราสามารถจะมั่นคงอยู่ในพระเจ้าได้เหมือนกับหนังสือสองเปเรตบูบทที่สาข้อสิเจว่าเพราะเหตุฉะนั้นเพราะเหตุนั้นพี่น้องเมื่อท่านทั้งหลายรู้เรื่องก่อนแล้วจงระมัะวังให้ดีท่านอาจจะหลงไปกระทำผิดตามผิดของคนชั่วเหล่านั้น และท่านทั้งหลายจงจะสูญเสียความหนักแน่นมั่นคงของท่านอันนี้มาจากคำเดียวกัน stability แต่พระคัมภีร์ใช้คำนี้ในการแปลหมายความว่าอะไรครับเมื่อคุณเรียนรู้จากบางอย่างความมั่นคงที่ไม่มีคุณจะหลงทำผิดตามคนอื่นเสมอทุกวันนี้มีช่องทางหลากหลายที่ทำให้สิ่งที่เปลี่ยนแปลง แต่ความมั่นคงคือเรามองจากอะไรครับในวิถีชีวิตของเรานะครับมีคนพูดว่าทะเลต้องมีคลื่นลมเราควบคุมลมไม่ได้ครับแต่เราสร้างใบเรือเพื่อใช้ประโยชน์จากลมได้หมายถึงมุมมองต่างๆที่มีในชีวิตเราจะสร้างเสถียรภาพได้จากพายุที่อยู่รอบเราได้อย่างไร นะครับความมั่นคงคือการที่เรายึดพระเจ้าไว้ตลอดเวลาดังนั้นพระกะพีจึงใช้ในหนังสือยีบูพูดถึงว่าพระองค์เป็นสมอแน่นอนขึ้นลมมันเกิดขึ้นอยู่เสมอแต่ความศิลปภาพนั้นนะครับมีคนพูดว่าความโหดร้ายจะไม่คงอยู่ในชุดอุคุณตลอดไปครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าชีวิตของเรา มีสิ่งที่ทำให้เราสามารถหลุดจากตรงนั้นได้เมื่อคุณฝากไว้กับพระเจ้าแม้แต่หนังสือมาโกบอกว่าเมื่อสาวกของพระองค์เจอพายุร้ายพระองค์ห้ามสิ่งเหล่านั้นได้นะครับดังนั้นในอิสยาห์จึงกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นสเสถียรภาพแห่งเวลาของข้าพเจ้าทรงเป็นความรอดลัสธิปัญญาและความรู้อนุดมความยำเกรงพระเจ้าเป็นทรัพย์สมบัติของเขา นันหมายความว่าซาบลิตี้นั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่คุณมีสินทรัพย์ที่มากและทําให้คุณมั่นคงแต่มันเป็นเรื่องความโอดและปัญญาที่มาจากพระเจ้าปัญญาของเรามาจากพระเจ้าเพราะอะไรครับเราทําไมครับเรายำเกรงพระเจ้าเราจึงมีปัญญาเหล่านั้นเกิดขึ้นครับตัวท้ายสุดเป็นเรื่องที่น่าสนใจ trust worthy t r u s t w o r t h y คือความน่าไว้ใจความน่าเชื่อถือเราเหมือนกันหมดไม่ต่างกัน t r u s t w o r t h i มีคนพูดว่า the most expensive things in the world is trust สิ่งที่แพงที่สุดในโลกนี้คือความเชื่อใจคุณใช้เวลาเป็นปีคุณใช้เวล า, ย, วลา ย, ยาวนานที่คุณกว่าจะเก็บรวบรวมทำให้คนอื่นเชื่อใจคุณได้ แต่มันหายไปในวินาทีเดียวเองมันน่าคิดครับพระเจ้าเชื่อวางเราเชื่อวางใจในพระเจ้าพระเจ้าก็เชื่อใจเราตลอดนั่นเองมีคนพูดว่า trust is the fragile things easy to break easy to lose and one of the hardest thing to ever get back ความเชื่อใจมันเปราะบางจริงๆแตกง่ายมันหายง่ายและเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ที่จะนำมันกลับคืนมาอีกครั้งโอ้ถ้าวันนี้เราผมถ้าเกิดมีคนพูดว่า I trust you กับ I don't trust you จ็บเนาะ คนที่เข้าใจลึกๆตรงนี้จะรู้ว่า I don't trust you โอโ้โหเครดิตนั้นหมดไปเลยแต่พระเจ้าให้เราโอกาสนดครับคนนี้เป็นคนที่เขียนหนังสือเรื่องการที่คุณจะมีอมโนสัยที่ดีสตีเฟนโควีได้กล่าวไว้น่าคิด if you want to be trusted be trustworthy มันเป็นหัวใจหลักว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นคนที่ถูกมีความน่าเชื่อถือนั้นต้องเป็นคนที่น่าไว้ใจบางครั้งอยู่ในคิดจกักอย่าเพิ่งโกรธนะว่าใครไม่เลือกเราบางคนตั้งคำถามว่าเพราะว่าเราน่าไว้วางใจขนาดไหนบางทีมันตอบยากจริงๆเพราะทำไมครับเพราะว่าทุกวันที่เราดำเนินอยู่มันสะท้อนภาพออกถึงวิธีชีวิตของเราทั้งหลายอย่างไรนะครับนี่น่าสนใจ เขาจึงบอกว่าจริงๆแล้วนะครับซโนละ่ารอยส์ได้กล่าวว่า there is no point in the expecting others to be trustworthy be นะครับ m u s t first p r o r i t y ถ้าเกิดว่าคุณคาดว่าคนไหนจะเป็นคนที่น่าไว้วางใจน่าคบนั้นสิ่งแรกที่เขาทำนั้นต้องรู้ว่าเขาน่าไว้วางใจขนาดไหนมันเป็นหัวใจหลักนะนี่คือจุดที่สำคัญที่ผมอยากให้เราได้เห็นในคิดจักรับ คำนี้เกิดขึ้นครับทำไมคุณมาเป็นผู้นาคิดจักได้เพราะว่าสมาชิกคิดจักไว้วางใจถ้าเราเป็นคนที่น่าไว้วางใจนั่นคือเป็นคุณสมบัติสำคัญที่สุดตอนนี้ไม่ได้เอาเรื่องสภามาขายแต่ในสภาคิดจักเป็นปัญหาใหญ่มากในเรื่องเหล่านี้ น่ากลัวในทุววันนี้แต่จุดที่ผมกลังให้ท่านทั้งหลายได้คิดถึงเพราะเนื่องจากคนที่เป็นคนที่น่าไว้วางใจได้ไม่ใช่เกิดขึ้นจากคำพูดคนที่ไว้วางใจได้นั้นต้อง in action คืออะไรครับ trustworthiness is shown in the person actions not just words ไม่ใช่เพียงแต่คำพูดแล้บอกว่าคนที่เป็นคนที่น่าไว้บางใจอย่า yeah, ฟังเพราะคําพูดมันมีความหวานมีความ อ, าอะไรต่างๆทั้งหลายนะครับแต่จุดที่สําคัญที่สุดก็คือว่าในเวลาที่เราจะเป็นคนที่พระเจ้ า, ชาเชื่อและวางใจแระให้เรานั้นได้มันนั่นคือสิ่งที่เราก็ทํากับองค์ชายและเราก็ทํากับคนในกิจฉั่งนะครับผมเลย อ, อีกสามสไลด์นะครับผมให้เราเห็นน่าสนใจว่า being trustworthy require doing right things and doing things i like. g h หมายความว่าอะไรครับการที่คุณจะคงอยู่ในความเป็นคนที่น่าเชื่อถือนั้นสิ่งที่คุณทำคือทำในสิ่งที่ถูกต้องและทำทุกสิ่งให้มันถูกต้องได้มันจึงเป็นเรื่องสำคัญครับรู้ไหมครับทำไมถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้นะครับการที่คุณจะเป็นคนที่วางเชื่อหน้าเชื่อวางใจได้นั้นหมายถึงอะไรครับคนกล่าวไว้ว่า not everyone is trustworthy but if you trust God ทุกคนในโลกนี้ไม่ใช่เป็นคนที่น่าไว้วางใจนอกจากสึ่งคุณว่าคุณเชื่อในพระเจ้า Then you will be secure knowing that God is with you นั่นหมายถห้คุณจะได้รู้ว่าพระเจ้าได้ทรงอยู่กับคุณและเมื่อคุณรู้อย่างนั้นคุณจึงสามารถอยู่ในสังคมของคนที่ไม่น่าครบได้เพราะคุณอยู่และรู้จักพระเจ้าคุณรู้ไหมครับทำไมคนก็ตามพระเยซูคริสต์ Jesus was t r u s t w o เ t h y เพราะพระเยเจ้าเป็นคนที่น่าไว้วางใจดังนั้นทำไมประชาชนจึงติดตามโปรงเจ้ามันเป็นความจริงในทุกวันนี้เรามองอย่างไรกับชีวิตนี่คือจุดที่สำคัญนี่เป็นหัวใจหลักที่ทำาไมว่าเพราะโรงทรง นำพาคนทั้งนั้นกลับมาสู่พระเจ้านะครับผมเชื่อว่านี่คือความสำคัญที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเรานะครับเพราะว่า your faithfulness makes your trustworthy God เพราะความสิ่งที่เราสัตซ์ซื่อหรือเราทำอย่างยุติธรรมต่างๆทำให้เราเป็นคนที่นะครับพระเจ้าไว้วางใจเรา พี่น้องครับในวันนี้ผมอยากให้ท่านหลายท่าคิดถึงการสามากีธรรมเราเป็นหนึ่งในพระเจ้า we are one in Christ เดี๋ยวนั้นในพระองค์เจ้าเราได้เรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่พระองค์ส่งมอบให้กับเราเมื่อเราอยู่ในพระองค์เจ้าเราได้ตัว C คือความกล้าหาญ courage นะครับเราได้ตัว H เราเรียนรู้จากความสัตย์ซื่อ Honesty ที่มาจากประชาชนเราได้ตัว R reinforcement ที่เราจะหนุนเราจะเสริมเราจะทำอะไรต่างๆนะครับเราได้ตัว I คือ initiative ที่คุณจะมีจุดเริ่มต้นอยู่ตลอดเวลาเพราะคุณถูกปรงสร้างใหม่รเริ่มสร้างสรรสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นคุณได้ตัว S คือ stability ได้สถิสัมปชที่อยู่ในความเชื่อในพระเจ้าและคุณได้ตัวทีคือ trust worthy จุดเหล่านี้ทำให้คุณได้เห็นถึงความจริงว่าเราจึงอยู่ร่วมกันในคืนาจาัชเราจึงมีสามาัคคีทากันเราจึงสามารถที่จะหนุนใจกันเราจึงสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งที่ดีได้เพราะเราได้รับสิ่งดีที่มาจากพระเจ้า ดังนั้นในพรบีจึงบอกว่าเราไม่เป็นทาสไม่เป็นไทยไม่เป็นอะไรอีกเราทุกคนเป็นเหมือนกับคนเดียวกันในพระกิตติจุดนี้คือจุดสําคัญครับผมไม่ทราบวันนี้ท่านทั้งหลายได้เห็นอะไรแต่ผมเชื่อมั่นว่าเมื่อเราคิดถึงวีอาวันอินไครเมื่อเราคิดถึงคําว่าไครท์เราเห็นถึงความเป็นหนึ่งเราเห็นถึงการที่เราจะหนุนการที่เราจะสามารถดําเนินอยู่ในกิจจักร ดังนี้วันนี้เราจะทำอะไรที่จะเป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะเมตตาเรานะครับเมื่อคิดถึงคำว่า i ครเมื่อไหร่อย่าลืมนะผมยังชอบตัว R อยู่เสมอ reinforcement วันนี้คุณอยากจะหนุนอะไรใครด้วยคำอธิษฐานอย่างเมื่อเช้าที่ผมบอก ขอคิดถึงเขาวันละหนึ่งนาทีนะครับวันละหนึ่งนาทีตลอดสัปดาห์สัปดาห์หน้ามาอย่านั่งที่เดิมนะถามคนข้างๆอยากใหอธิษฐานเผื่ออะไรคิดถึงว่าวันละหนึ่งนาทีอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เป็นคนอื่นเรื่อยๆผมเชื่อพระเจ้าจะเมตตาเรานะครับขอพระเจ้าเมตตาให้ถ้อยคำของพระเจ้าในบ่ายวันนี้เป็นที่หนุนใจเรา ที่เราจะกล้าและดำเนินอยู่ในพระองค์เจ้าเสมอเราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันกับพระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณสำหรับความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์สำหรับรคุณและพระพรนั้นยิ่งใหญ่ที่มาจากพระองค์ทำให้ข้ามหลายนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันในพระองค์เจ้าให้เราทั้งหลายมีความสามัคคีรมซึ่งกันและกันเพราะด้วยความรักของพระองค์เจ้าผูก พ, พันข้ามหลายเป็นหนึ่งเดียวกันพระองค์ไม่ได้มองว่าข้ามหลายนั้นเป็นคนอย่างไร พระองค์ไม่ได้มองว่าข้ามเราเป็นทาตหรือเป็นไทยแต่เพราะในพระองค์เราเป็นหนึ่งเพราะไหนพระองค์เจ้าเราเรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่เราได้รับจากพระองค์เจ้าเรารู้ว่าพระองค์เจ้าทรงประทานสิ่งดีกับเราเสมอให้เรามีความกล้าหาญให้เรามีความสัตย์ซื่อให้เรามีความคิดถึงกันและการให้ข้างเราทั้งหลายคิดถึงในการเริ่มต้นมองถึงความมีศักดภาพและพระองค์เจ้าทรงไว้วางใจเราในการให้เรารับใช้พระองค์เจ้าขอบพระคุณพระองค์เจ้าจริงๆ เขาบ่ายวันนี้เป็นพระพรที่มาจากพุงเพื่อสิ่งที่ข้างหลายได้ยินได้ฟังจะฝังในชื่อก้างหลายและเกิดผลตามน้ำประทัยของพุงฝากมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์เช้าในพระนามพระสุคิจา้าอาเมน